บรรดานิทานสีขาวดออรอาจอ์ชุมสายณัยุทธยาเล่าเรื่องความกลัวของอภัยอภัยอาศัยอยู่กับปู่ชราในกระตอบท้ายหมู่บ้านเขาเป็นเด็กที่มีความกระตันอยู่กะตะเวทีมากทุกๆวันอภัยจะเข้าไปในตลาดเพื่อขอ ง, งานจากพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าทําแล้วนำเงินค่าจ้างที่ได้ไปซื้อข้าวมาให้ปู่กิน พวกพ่อค้าแม่ค้าเห็นว่าอภัยเป็นเด็กดีจึงมักหางานให้ทำอยู่เสมออย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเด็กดีจนชาวบ้านพากันเอ็นดูแต่อภัยก็เป็นเด็กที่ขี้กลัวมากเขาจะรีบทำงานที่ตลาดให้เสร็จโดยเร็วแล้วกลับมาถึงบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินจากนั้นก็จะม่ยอมออกจากบ้านอีกเลยเพราะว่าหวาดกลัวความมืดในยามค่ำคืน เจ้าเป็นลูกผู้ชายนะอภัยไม่มีลูกผู้ชายคนไหนหรอกที่หวาดกลัวความมืดปู่ของอภัยพูดเรื่องความกลัวของหลานชายขึ้นในวันหนึ่งแต่ความมืดนั่นน่ะมันทำให้เรามองอะไรไม่เห็นเลยนะปู่อภัยบอกอภัยเอ้ยตอนค่ำกับตอนกลางวันแท้จริงแล้วก็ใช่ว่าจะต่างกันนักหรอก เพียงแต่ในเวลาค่ำไม่มีแสงสว่างให้เจ้ามองเห็นดังเช่นตอนกลางวันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นล่ะปู่ของอภัยพยายามพูดให้หลานชายหายกลัวความมืดแต่ดูเหมือนจะไร้ผลเพราะอภัยตอบกลับมาว่าก็หลานกลัวนี่ปู่ของอภัยจึงไม่ได้พูดอะไรอีก วันหนึ่งในฤดูหนาวปู่ของอภัยป่วยหนักด้วยโรคทางเดินหายใจและปวดข้อกระดูกอภัยไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเพราะต้องคอยปรนนิบัติบีบนวดปู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหน่ายแต่อย่างใดอภัยเต็มใจที่จะทำเขาสงสารปู่มากเวลาที่เห็นปู่ต้องทนทรมานด้วยโรคปวดข้อ ถ้าเรามีเงินมากๆ ก, ก็ดีสิเราจะได้เอาไปซื้อเสื้อหนาหนาๆดีๆมาให้ปู่ใส่แล้วก็จะได้พาปู่ไปหาหมอกระดูกมือหนึ่งที่หมู่บ้านใกล้เคียงได้อีกด้วยอภัยได้แต่นั่งคิดอย่างเคร่งเครียดเขาไม่รู้ว่าจะหาเงินจํานวนนั้นมาจากไหนหมู่บ้านของอภัยไม่ได้ทอผ้าเองเสื้อหนาเนื้อดีหนาๆต้องสั่งมาจากหมู่บ้านอื่นที่ไกลออกไปราคาจึงแพงมาก ค่ารักษาพยาบาลก็เหมือนกันคงต้องใช้เงินไม่ใช่น้อยกว่าจะทำให้ปู่หายดีและแข็งแรงขึ้นแม้ขณะกำลังทำงานอยู่ในตลาดอภัยก็ยังคงเฝ้าคิดวนเวียนถึงเรื่องนี้อย่างเคร่งเครียดจนกระทั่งสังเกตเห็นว่ามีใครคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าอภัยค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเห็นเป็นชายชารานหนวดยาวเฟ้ยแต่ท่าทางใจดีแต่งกายด้วยชุดขาวทั้งชุด กำลังจ้องมองเขาอย่างพินิษพ์พิเคราะห์อภัยถามชายชราชุดขาวอย่างเก้อเกว่าตามีอะไรกับผมหรือเปล่าครับกบพอมีอยู่บ้างหรอกชายชราชุดขาวตอบเย้าอย่างอารมณ์ดีได้ยินมาว่าเจ้าอยากได้เงินมากๆเพื่อเอาไปซื้อเสื้อหนาวเนื้อหนาและพาปู่ของเจ้าไปหาหมอมือหนึ่งอย่างนั้นเหรอเออครับ อภัยตอบด้วยความรู้สึกระแวงแคลงใจเวากเขาไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับความคิดคนี้นี่และที่สำคัญคืออภัยจาไม่ได้เลยว่ามีคนแก่หน้าตาแบบนี้อยู่ในหมู่บ้านของเขาด้วยอย่าคิดอะไรมากเลยนะเห็นว่าเจ้าเป็นคนดีเป็นเด็กดีข้ากันเลยแค่อยากจะช่วยชายชราชุดขาวออกตัวเสมือนล่วงรู้ความคิดของเด็กชายจนทาให้เด็กชายสะดุ้งเฮือก ามีงานให้เจ้าทำถ้าทำสำเร็จเจ้าจะได้ทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่เอาไปรักษาปู่ของเจ้างานอะไรครับตาอภัยรีบถามเขาดีใจมากจนทิ้งความหวาดระแวงในตัวชายชาราชุดขาวไปชั่วขณะงานง่งายง่ายแต่ก็ไม่รู้จะยากเกินไปสำหรับเจ้าไหมนะชายชาราชุดขาวพูดอย่างเชิงไม่ ตาไม่เลยงานอะไรก็ได้ผมทำได้ทั้งหมดเลยอภัยรีบต่ออย่างนั้นก็ดีละแบมือเจ้ามาสิชายชราชุดขาวว่าแล้วหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อของตนพร้อมกับหยิบยื่นให้อภัยอภัยแบมือรับและเมื่อมองลงไปก็เห็นเป็นเพียงมเมล็ดพืชแข็งๆดำๆสองสา ม, มเมล็ดในฝ่ามือเท่านั้น งานของเจ้าก็คือนำมเมล็ดพืชที่ข้าให้ไปปลูกแค่นั้นเองอภัยร้องผมปลูกพืชได้งดงามมากเชียวครับมเมล็ดพันธุ์ของตาก็เหมือนกันผมจะปลูกและดูแลมันอย่างดีเลยทีเดียวใช่ใช่ใช่าชายชราชุดขาวทำเสียงล้อล้อขารู้อยู่ว่าเจ้ามีดีด้านการเพรา ะ, มะเมล็ดพืชแต่มเมล็ดพืชของข้านั้นไม่เหมือนมเมล็ดพืชอื่นๆหรอกนะ มันจะออกดอกแค่ครั้งเดียวแล้วจะไม่มีดอกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเจ้าต้องดูแลมันดีๆทำตามที่ข้าบอกอย่างเคร่งครัดก็คือว่ามเมล็ดพืชของข้าจะขึ้นได้ดีหากได้หวานในดินตรงป่าช้าท้ายวัดในยามค่ำคืนที่มืดสนิทและจะเจเริญเติบโตอย่างรวดเร็วหากได้รับการรดน้ำาทวนดินในเวลามืดเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเจ้าไปดูแลมันในเวลากลางวันนะมันก็จะเหี่ยวแห้งตายในทันทีเออว่าอะไรนะครับมีต้นไม้ประหลาดอย่างนั้นด้วยหรืออภัยอุทานอย่างพิษสงยังมีอะไรๆในโลกนี้อีกมากมายที่อยู่เหนือเส้นบรรทัดของคำว่าเหตุผลและต้นไม้ของข้าก็เช่นกันงานของเจ้าคือนําเมล็ดไปปลูกและดูแลให้มันเจริญ ง, งอกงามตามที่ข้าบอก หลังจากนั้นเมื่อมันออกดอกแล้วจงเก็บดอกของมันมาให้ข้าแล้วข้าจะจ่ายค่าจ้างให้เจ้ามากเท่าที่เจ้าต้องการเลยทีเดียวว่าอย่างไรเจ้าทำได้หรือไม่ได้ครับตาผมทำได้อภัยรีบตอบเพราะอยากได้เงินไปรักษาปู่มากจนลืมไปว่าตนเองเป็นคนกลัวความมืดเมื่อพระอาทิตย์ตกดินอภัยจึงออกเดินไปยังป่าช้าทยวัดทันที แต่เมื่อเดินมาได้สักพักและเห็นว่าทางข้างหน้ามืดทึบมากขึ้นอภัยก็เริ่มหวาดกลัวยอย่างหนักจนเม็ดเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าและรวมตัวกันไหล ย, ย้อยลงมาเป็นสายเหมือนถูกใครเอาน้ำมารดบนศีรษะอย่างไรอย่างนั้นส่วนขาก็ก้าวไม่ค่อยจะออกอภัยรู้สึกว่าแต่ละย่างก้าวของตนเองนั้นมีน้ำหนักมากเสมอมีใครเอาก้อนเหล็กขนาดใหญ่มาถ่วงรั้งเอาไว้ อภัยนึกอยากหันหลังวิ่งกลับบ้านอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งก็จะมีเสียงร้องอันเจ็บปวดทรมานของปู่เข้ามาทำให้จิตใจกล้าหานขึ้นจนกระทั่งอภัยเดินไปถึงป่าช้าท้ายวัดจนได้และเมื่อรู้อย่างนั้นอภัยก็รีบขุดดินเพาะเมร็ดพันธ์สีดำของชายชรายอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงวิ่งกลับบ้านโดยไม่ยอมหันไปมองข้างหลังอีกเลยคืนวันที่หนึ่งผ่านไปย่างเข้าคืนวันที่สอง อภัยมาพร้อมก็ฝักบัวรดน้ําและซ่อมพวนดินอาการหวาดกลัวทุกอย่างก็ยังคงปรากฏเช่นเดิมและอภัยก็เร่งทํางานให้เสร็จดังเดิมจากนั้นจึงวิ่งกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตเพราะคิดว่ามีใครบางคนวิ่งตามมาทั้งที่จริงแล้วไม่มีสิ่งใดอยู่ด้านหลังเขาเลยเหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่จนกระทั่งย่างเข้าคืนที่หก อภัยเริ่มเคยคินถับความมืดและความรู้สึกว่าความมืดไม่น่าหวาดหวั่นอย่างที่คิดเขาไม่ได้ทิ้งความกลัวไปทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้มีมากเท่าแต่ก่อนดังนั้นในวันที่หกนี้อภัยจึงไปดูแลต้นไม้ของชายชาราชุดขาวได้อย่างไม่ทุลักทุเละนะปรากฏว่าคืนนี้ต้นไม้มีบางอย่างแปลกไปจากที่เคยอภัยมองเห็นประกายวิบวับวั บ, วบเล็ดลอดออกมาจากดอกไม้ที่กําลังโตม แสงนั้นสวยงามราวกับแสงอัญมณีล้ำค่าอภัยรู้สึกตื่นเต้นเป็นกำลังเขาไม่เคยพบเจอต้นไม้ชนิดนี้มาก่อนและคิดว่าคืนพรุ่งนี้ดอกไม้ทุกดอกที่กำลังโตมอยู่คงคลี่กลีบบานออกอย่างงดงามอภัยอยากรู้เสียจริงว่าดอกไม้เหล่านี้จะมีลักษณะเช่นไรดังนั้น ในคืนวันที่7อภัยก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวที่จะไปหาต้นไม้ในความมืดอีกเพราะความรู้ความอยากรู้อยากเห็นในวัยเด็กของเขาทําให้เขาหมดความกลัวและรอคอยเวลาพกคำ่ำเพื่อไปหาต้นไม้อย่างใจจดใจจอ่อแล้วคืนนั้นอภัยก็ได้เห็นในสิ่งที่เกินกว่าจะเชื่อได้ ต้นไม้ของชายชราชุดขาวไม่ได้ออกดอกเหมือนต้นไม้ธรรมดาทั่ ว, วไปเพราะสิ่งที่อภัยเห็นก็คือเพชรนินจินดาจานวนมากที่อยู่ด้านในตรงส่วนเกสรของดอกไม้เด็กชายลืมตัวมองสิ่งเหล่านั้นด้วยความตกตะลึงอยู่ครู่ใหญ่จนเมื่อสติเริ่มกลับคืนมาเขาก็รีบเก็บดอกเพชรนินจินดาทั้งหมดใส่ถุงที่เตรียมมาด้วยเพื่อนาไปให้ชายชราชุดขาวตามที่ได้สั่งไว เมื่อภัยกลับมาถึงบ้านเขาก็พบชายชราชุดขาวกาลังนั่งอยู่บนแคร่ไม้หน้าบ้านอภัยจึงรีบวิ่งเข้าไปหาหน้าตาตื่นพร้อมกับกระลำลระลากบอกถึงสิ่งที่ตนพบเห็นแก่ชายชราชุดขาวว่ารูมิตาต้นไม้ของตาน่ะเป็นต้นไม้วิเศษนะมันออกดอกเป็นของมีค่าล่ะดูนี่สิผมเก็บมันมาให้ตาแล้วชายชราชุดขาว รับถุงจากมืออภัยมาเปิดดูแล้วหัวเราะอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับพูดว่านั่นอะไรผลดีของความกล้าเมื่อเจ้ากล้าเจ้าก็จะได้พบกับสิ่งที่เจ้าต้องการต้นไม้ของข้ามิได้ต้องการน้ําหรือการทวนดินเพื่อให้ออกดอกรอกแต่มันจะดูดซับพลังแห่งความกล้าจากคนที่ปลูกมันแล้วแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิต และบำรุงดอกให้เจริญงอกงามดังนั้นหากเจ้ามีความกล้ามากขึ้นเท่าไหร่ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้ในคืนหลังๆซึ่งเจ้าแทบไม่เหลือความกลัวใดๆในจิตใจอีกแล้วดอกของมันถึงได้ออกมางดงามถึงเพียงนี้พูดจบชายชราชุดขาวก็ส่งถุงเพชรนินจินดาคืนอภัยแล้วกล่าวว่า นี่คือผลจากความกล้าหาญของเจ้าดังนั้นเจ้าจึงเป็นเจ้าของมันโดยสมบูรณ์จงเอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์เถอะทันใดนั้นเองร่างของชายชราก็หายวับไปด้วยเหตุนี้อภัยจึงมีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อเสื้อหนาวเนื้อดีมาให้ปู่ใส่คลายหนาว และพาปูป่ไปรักษาตัวกับหมอกระดูกมือนหนึ่งในหมู่บ้านใกล้เคียงได้อีกทั้งยังใช้เงินที่เหลือลงทุนซื้อลูกไก่กับลูกหมูมาเลี้ยงอีกด้วยเมื่อเล่าเรื่องนี้ให้ปู่ฟังปู่ก็บอกกับอภัยว่า <S <S เพราะว่าเจ้าเป็นเด็กที่มีจิตใจดีอยู่แล้วเทวดาจึงอยากช่วยให้เจ้ามีความกล้าเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยเจ้าจะได้ใช้ความกล้าของเจ้า ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในอนาคตแล้วอภัยเด็กขี้กลัวก็เติบใหญ่เป็นอภัยคนกล้าที่ใครๆต่างก็รู้จักเป็นอย่างดีเธอทั้งหลายจงละทิ้งความกลัวและหมั่นเติมความกล้าหาญให้กับตนเองอยู่เสมอขอให้เธอเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เข้ามาบั่นทอนความสุขในชีวิตของเธออย่างมุ่งมั่นแล้วความกล้าหาญนั้น จะนำเธอไปพบกับสิ่งดีๆที่เธอไขว่คว้าหามาตลอดชีวิต